ให้ศึกษาบารมีธรรมของพระบรมศาสดาเนี่เข่าอ่อนหมดเลยให้ศึกษาดิคิดยังแทบไม่กล้าคิดเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลเช่นอย่างพระบรมศาสดาจึงหาได้ยากอย่างยิ่งคําว่าโพธิปักกียธรรมเมโพธิปักกียธรรมขท่านก็บอกความรู้ในมรรคสีความรู้ในโสดาปิมรรคสากาธาคามีมรรคนาคามารรคอัตธรรมในเชื่อโพธิ หรือบุคคลย่อมตัดสรู้เพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นเชื่อโพธิผู้ที่จะตัดสรู้เนี้ยก็คือพระพุทธเจ้าทำทั้งหลายอันมีในฝากฝ่ายแห่งโพธิญาณหรือของบุคคลผู้จะตัดสรู้ก็เรียกว่าโพธิปักขียะโพธิปักขียะก็คือธรรมที่บ่มโพธิญาณเหล่านั้นตรงนี้ก็มาดูว่าโพธิญาณต่างๆนั้นจะถูกบ่มเพราะได้ด้วยโพธิปักขียธรรม37ประการอะไรละเป็นตัวบ่มสติปฐานสี สมประทานสี่อิทิบาทสี่อินทรีห้าพระห้าโพชงเจ็ดแล้วก็อริยมรรคมีองค์แดทรงบำเพ็ญธรรมเหล่านั้นในข้อความนั้นก็เชื่อมว่าทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศมีธานบารมีเป็นต้นที่จะยังมรรคให้สำเร็จเห็นให้สังเกตดูว่าบารมีส0บสร้างอัตยาใสทั้งหอัตยาใสทั้งหก็คือเนี่ยเมื่อบ่มโพธิปักจยานทสามสบ็ดนี้เอง นั้นโพธิปัจญยธรรม37บเนี่ยบริบูรณ์เลยก็จะยังมรรคให้สําเร็จและโพธิปัขญาธรรมสามเจประการเนี่ยที่จะบ่มโพธิญาณอันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้อย่างบริบูรณ์เนี่ยท่านใช้คําว่าปัตตวาทรงบรรลุทรงบรรลุพยานโพธิินก็คือพระโพธิญาณ น, นั่นเองมรรคญาณทั้งสวิสุทธังอันบริสุทธิ์อันเว้นจากมลทิน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 เป็นต้นนั่นแหละคือพุทธคุณของพระบรมศาสดายังไหมพุทธคุณเนะี่ยคือกรมคุณธรรมทั้งหลายอีกมากมายถ้าเราไล่ไปตามลำดับนี่จะมีมากมายทําไมเราต้องมาศึกษาในการที่พระบรมศาสดาบําเพนบารมีเพื่อจะได้เจริญพุทธคุณกันถูกสัทีถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครคือพระพุทธเจ้าอะไรเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งอามาพยายามจะเจาะก่อนนี่ยนะวันแรกนี่นะต้องการให้รู้จักพระพุทธเจ้ากันให้ชัด แต่ความสามารถของผู้บรรยายไม่รู้จะแค่ไหนเนี่ยความสามารถของผู้ฟังก็ตั้งให้เต็มที่ทกันแล้วกันเศรฐภูโตติโลกเกก็แปลว่าทรงเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเพระรบรมศ า, าสดาเนี่ยประเสริฐที่สุดในโลกทั้งสก็คือการมาวาจรภูมิรูปาวาจรอรูปาวาจรนั้นนั่นอย่างหนึ่งสัตวโลกสังข า, ารโลกแล้วก็โอกาสโลกอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าเราจะเทียบในในจักรวาลทั้งสิ้นเนี่ย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 อนาเขตนี่แสนโกดจักรวาลใช่ไหมถ้าวิสัยเขตก็คือหาประมาณนี้ได้นี่เขตของพระบรมศาสดาจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นสัตว์วโรคทั้งหลายเนี่ยพระบรมศาสดารู้หมดสังขารละโลกโลกคือสังขารอันต่างด้วยรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีสังขารไหนเลยที่พยานของพระบรมศาสดาจะไม่เคยกระทบ ภาษพันยุติยานของพระบรมศาสดานั้นเคยทะลุทะลวงสังขาระโลกทุกสังขารสังขารของเราท่านทั้งหลายที่เป็นมาในอดีตที่กําลังเป็นไปอยู่เป็นต้นเหล่านี้ยสังขารเหล่านี้นั้นเคยถูกสัพพัยุติยานนั้นวิจัยสิ้นหมดแล้วว่าส่วนไหนเป็นทุกขสัจส่วนไหนเป็นสมุทยาาัยสัจจะแล้วเมื่อไหร่จะได้นิโรธสัจจะและปฏิปทาในการจะเข้าถึงมรรคสัจนะจะถึงหรือไม่ถึง พระบรมศา ส, สดาทําไมพระองค์จึงมีพระมหากรุณาธิคุณเพราะพระบรมศา ส, สดาเห็นกลุ่มเราท่านทั้งหลายกําลังเดินทางผิดกําลังเดินไปตามมิจฉาปฏิบัติภาระใช่ไหมเราเนี่ยมีมิจฉาทิถีเป็นตัวฝังรากลึกแล้วก็เลยมีมิจฉาสังกปะเพราะเห็นผิดแล้วคิดก็ผิดใช่ไหมพูดออกมาก็เป็นมิจฉาวาจา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 อะไรคือกรงราคาโทสะโมหามานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิทธิการนวตตปาอุทะจกักิเลตทั้งหลายเหล่านี้เป็นกรงมันขังสัตว์อยู่เขาะจะว่าไงเนี่ยแล้วกรงเนี้เป็นกรงที่ถาวรด้วยในอดีตโทษของการที่ไม่ได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าแลวไม่เข้าใจคาสอนของพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ย แล้วก็ติดกงขังกันเงี้ยออกไม่ได้ผ่านพุทธเจ้ามาตั้งหลายพระ อ, องค์นับไม่ถ้วนถ้าเราดูในคำพีอปาทานเนี่ยพระบรมศาสดาเนี่ยบอกแก่พระนนเข้ไว้บอกว่าดูก่อนอานลตถาคตบําเพ็ญบารมีมาตั้งใจปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้า ช่วยเธอให้พ้นจากสังสารวัตก็คือช่วยสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัตเนี่ยผ่านพทธเจ้ามาไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่ร0อยไม่ใช่พันไม่ใช่แสนไม่ใช่โกรธไม่ใช่ประโกรธผ่านมาเป็นอาสองไขผ่านพทธเจ้ามามากกว่าเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูน0ร้อยสี่สิบตัวจะว่ายังไงเนี่ย ใคระกล้าเดินผ่านพทธเจ้าละเลยพทธเจ้าขนาดนั้นทั้งๆที่ตนเองมีอัจฉริยะใสในการที่จะตัดสู้เป็นพระอรหันต์ได้ ใ, ใครกล้าพระบรมศาสดาของเรานี่ยติกล้ากล้าคิดกล้าทำกล้าพูดในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมงั้กรณีในลักษณะอย่างเนี้ย พระ อ, องค์จึงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าสัตว์โลกทีนี้เราเนี่ยถูกกรงคือกิเลสเนี่ยล้อมไว้แล้วพระบรมศ า, ศาสดาก็บอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายวิ่งพ่านเดิมได้ของกิเลสเราเห็นคนบางคนไม่ติดกรงเนี่ยนกเขาขังไว้ในกรงกระต่ายเขาขังไว้ในกรงหมูเขาขังไว้ในเล้าเป็ดไก่ช้างม้าวัวควายทั้งหลายเขาเชือกผูก เราทั้งหลายก็ถูกกรงขังคือบ้านคือช่องคือแรองต่างเยอะแยะอันนั้นไม่ใช่กรงที่แน่นหนาอะไรเดินออกมานี่ก็พ้นแล้วใช่ไหแต่กิเลสที่สมในใจท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นกรงแล้วเราท่านทั้งหลายทะลุทะลวงออกกันไม่ได้วิ่งท่านกันอยู่เนี่ยพระบรมศาสดาก็มีพระมหากรุณาธิคุณบอกว่านอกจากเราไม่มีใครช่วยสัตว์นั้นแหวกกรงคือกิเลส ออกมาได้ตรงนี้ไงท่านเห็นเราท่านทั้งหลายมืดอยู่ในกรงเนี่ยก็เลยบอกค้นทางในการที่จะออกจากกรงนั้นทีนี้ถว่าพระองค์นั้นเป็นผู้รู้แจ้งมีพระญานันยอดเยี่ยมในสัตวโลกสังขารโลกแล้วก็โอกาตะโลกโลกคือแผ่นดินคือจักรวาลทั้งสิ้น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 ดังที่ได้กล่าวว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มมิจฉาปฏิบัตานะเอางี้มิจฉาปฏิบัติเป็นชื่อของอภิชาคือความโลภเป็นชื่อของโทมานะคือความโกรธใช่ไหแล้วก็มีโมหะเป็นตัวปิดเอางี้เราท่านทั้งหลายในขณะที่อยู่ในยาบดยืนแล้วก็เป็นมิจฉาปฏิบัติสติสัพชัญญาสิกขาสาว ม, มันเดินได้ไหมในขนาดยืนในขนาดเดินในขนาดนั่ง ในขณะนอนในขณะที่ก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มทรงผ้าหรือทพระก็ทรงผ้าสังกติบาจีวรนะกระวาว่าก็นุ่งห่มผ้าของใช้ทั้งหลายทายุจะ ร, ระปัสวะเดินยืนนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งอภิชาและโทมนัสจะไหลท่วมกระแสใจสัตว์ยุตรรดุรา เห็นไหมว่าสัตว์นั้นไม่ว่าจะไปทางไหนก็เป็นกลุ่มมิจฉาปฏิปทาเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นสัมมาปฏิปทาปณิพนธุ์ทุกเนี่ยเพราะเราใช้ทั้งอยาบทใหญ่อยาบทย่อยกันมายาวนานแล้วเนี่ยนี่มันออกไม่ได้อ่ะมันถูกกรงคือมิจฉาปฏิปทาเนี่ยเป็นตัวชักใหญ่อยู่มันก็เดินออกไม่ได้เพระบรมศาสดาก็มีพระมหากรุณาธิคุณบอกว่าโอ้โหสัตว์หลงแล้วเนี่ยมืดแล้วบอดแล้วหนวกแล้วว่างั้น นอกจากเราเนี่จะทําให้สัตว์นั้นนะฮะสว่างไม่ได้เลยเพางั้นพระองค์ก็พิจารณาให้ควรเห็นตามความเป็นจริงนะพระองค์ก็มีกรุณาในเรามีกรุณาในเราสัตว์หมู่ชนผู้กระทํากรรมงามไว้ท่านบอกว่าอุบัติขึ้นให้สาเร็จแล้วเนี่ยนะประชุมชนผู้ไดก้กระทําบุญไว้แล้วในสํานักของพระบรมศาสดาในการก่อนทรงเปลื้องทุกขออกจากทุกแล้ว ก็คือเปลื้องทุกออกจากก็หมายว่าเปลื้องออกจากทุกจากเหตุแห่งทุกและจากขันห้าตามวัาหาด้วยทุกเนะื้อทุกนี่ก็คือเป็นเชื่อมกันฮะสัตว์ทั้งหลายที่เคยบำเพ็ญบารมีมาในพระรพุทธเจ้ า, าองค์ก่อนๆ อ, อยู่ไหมเมื่อมาเจอพระบรมาาศาสดาในในพระองค์นี้สัตว์เหล่านั้นเป็นผู้คู่ควรต่การที่ตัสระลุเนี่ยมีบุญทั้งหลายพระบรมาาศาสดาก็ เปลื่องสัตว์เหล่านั้นให้พ้นจากวัตทุกข์ให้เป็นผู้ควรต่ออนุปาทาปนปิทิภานทีนี้ถ้าหากว่าดูในคําสอนท่านบอกว่าพระผู้เมียผ้าเจ้านั้นมีกิติศักดิ์อันงามที่บอกว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์นั้นเป็นพระารหารเป็นผู้ไกลาจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองถึงพร้อมได้วิชาและจรณาเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถิฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเตยวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้า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 ไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูกัน้อมเขควรที่จะน้อมเข้ามาใส่ตนใช่ไหมมรสีพผลสีนิพานเนี่ยควรจะน้อมอันวิญญูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตนการได้พบเห็นพระสารททั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงเนยนะภาษารีบุตรเทระชื่นชมบ้าหมาบุรุษว่าพระผู้มีพภาคเจ้านั้นทรงมีปัญญามากทรงมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาอาฐานมีปัญญาฉับไว แล้วก็มีปัญญาเฉียบแหลมทรงบรรลุกุศลทรงบรรลุปฏิปทาทรงบรรลุเวสารัชยานสี่ทศพลยานสิบเป็นผู้องค์อาจเป็นบุรุษผู้ประเสริฐที่สุดแล้วก็เป็นบุรุษที่สูงสุดทรงเป็นบุรุษอาชาในาเป็นบุรุษผู้นำธุระนะทรงมีพยานหาที่สุดไม่ได้ทรงมีพระเดชอหาที่สุดไม่ได้ทรงมีพยศหาที่สุดไม่ได้ก็ทรงมั่นคงทรงมีทรัพย์มากและก็มีปัญญาเป็นทรัพย์ทรงเป็นผู้นำ นำยังไงทรงเป็นผู้นำไปอย่างวิเศษด้วยนายกเนี่ยก็แปลว่าผู้นำใช่ไหมถ้าระดับนายกของโลกนีคือพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เรียกว่านายกเขาเรียกผู้นาในทางที่ผิดนาเราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปโศกไปลำลายลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจให้เราเข้าถึงความขับแค้นใจ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 ควรเจริญควรอบรมบางคนบอกเอ๊ะเจริญสิกขาสามเจริญยังไงเอาฟังไม่เข้าใจอีกทําศิกขาสามให้เกิดได้ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาเออไม่รู้อีกบางคนโต้องใช้ศัพท์ใหม่ๆท่านออาพัฒนาบางคนเอาวิเข้าใจก็ว่าบางคนไปเข้าใจกับว่าพัฒนาพระ บ, บรมศาสด า, สดาทรงเพ่งประโยชน์แล้วทรงทําให้เลื่อมใสนะถามบอกว่า ตอนที่ท่านคิดจักเป็นพระพุทธเจ้าเนะ่ท่านบอกว่าจะประโยชน์อะไรในเพศที่คนอื่นไม่รู้จักใช่ไหมเอางี้บุคคลที่นั่งอยู่นี่เนะี่ยทั้งผู้พูดผู้บัญญัติผู้ฟังอย่างเงี้ยเ้าเรียกเพศเนี่ยไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักเพราะไม่ยังความเลื่อมใสตั้งมั่นให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง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 ถึงบอกเรื่องต้องขยายหมดเลยอ่ะถ้าพูดเรื่องศีลต้องขยายศีลใช่ไหมพูดเรื่องสมาธิต้องขยายสมาธิพูดเรื่องปัญญาต้องขยายทำความเข้าใจของปัญญาสรุปจริงๆต้องเอามาเกิดในกระแสนามาทำได้ต้องให้เกิดขึ้นได้จริงๆเนี่นี่ถ้าเราไม่ฉลาดในมรรคพระพุทธเจ้าฉลาดในมรรครอบรู้มรรคทรงบอกมรรคแล้วพระองค์ก็บอกทางมันมีเยอะทางมันมีมาก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 อันนี้มันเลยเจ็ดปีกันทางนั้นนะที่นั่งเนี่ยยังไม่เห็นมีใครมีซักมาร์กเลยอ่ะมีมาร์กอย่างเดียวอะโดยมากจะเป็นมิจฉามาร์กเห็นไหมสัมมามาร์กไม่ค่อยได้เลยเอาถ้าได้สัมมามาร์กนี่ต้องต้องได้ดิบได้ดีกว่านี้นะเอะพระเจ้าตรัสไว้นะถ้าจเจริญมาร์กถูกต้องเจ็ดปีบรรลุได้นะเพราะงั้น ทีอมานี่ก็ผ่านมาหลายขวบเลยอันนี้แสดงว่าผิดก็ยังไม่เอะใจนะเออยังไม่เอะใจนะหลายๆท่านเนี่ยนะว่าเออเราเนะี่ยเราเน่เป็นคนมีอัธยาสัยเห็นผิดมาอย่างยาวไกลเราไม่ใช่มีเป็นผู้มีอัตยาศัยเห็นถูกเรามาจากความเห็นผิดฉะนั้นกรณีที่เราจะเห็นถูกอะไรง่ายๆในะยากก็ไม่ค่อยเอะใจ เพราะพระบรมศาสดาเนี่ยนะฉลาดในมาร์กรแลสาวกทั้งหลายของพระองค์เป็นผู้ดําเนินไปตามมาร์กอยู่นะบัดนี้จกเป็นผู้เพียบพร้อมในภายหลังบอกว่าเอาที่ใครจะเดินตามคําสอนของพระบรมศาสดาเดินตามมาร์ ก, กจะเพียบพร้อมเพระผู้พากยเจ้านั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นทรงมีพระจักสุจักสุในที่นั้นคือมีพยานทรงมีตามทรงมีอัฏฐะนะแล้วก็เป็นดุจพรมตรัสบอกทรงธทำ ความหมายออกแล้วก็ประทานอมตะธรรมพุทธิยถาประทานอมตะธรรมไหมประทานพระนิพพานไงอย่างนี้มีคนให้ข้าวเราเนี่ยเราดีใจเยอะไหมไม่ใช่ออมตะธรร ม, มนี่ยแต่ถ้าให้พรมมะนิพพานนี่แต่บางคนไม่ชอบเนี่ยกลัวการบรรลุเคยได้ยินไหมบอกบรรลุเราไม่ชอบเลยการ บ, บรรลุนี่กลัวอีกก็แปลกดี บางคนเหมือนกับว่าพอพระบรมศาสดาบอกว่าลูกไม่ใช่ของเราเวนะลูกก็ไม่ใช่สามีก็ไม่ใช่บ้านก็ไม่ใช่ของเราทั้งหมดเบสเสร็ววิ่งกลับไปกอดลูกกลัวใหญ่ทรงนําความหมายออกมาทรงประธานธรมตาธรรมทรงเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระธรรมคตสิ่งที่พระบรมศาสดาไม่ทราบไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งไม่ทําให้แจ้งไม่ได้สัมผัสด้วยพยานไม่มีเลยนะไปดูในขุตการ์นิกายมาว่า ไปดูดิเออขอไปดูในไปดูในคําสอนนะในจุฬาจเทศกนะ็ไปในมหานิเทศกันในจุฬาจีเทศบอกไม่มีเลยนะที่พยานของพระบรมศ า, ศาสดาไม่เคยสัมผัสไม่มีเลยทำทั้งปวงรวมทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันย่อมมาสู่ครองหน้าพยานของพระบรมศาสดาโดยการทั้งปวงนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของพวะบรมศาสดาก็เป็นไปตามพยานดังที่ได้กล่าวเนะี่ยทีนี้ ถ้ามาพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของพระผู้มีพภาคเจ้าทรงสร้างบารมีดังกล่าวเนี่ยพระมหาบรุษเนี่ยพระมหาบุรุษก็ได้บําเพ็ญบารมีที่พระสารีบุทล่ามว่าเสียสงขา ย, ยิ่งด้วยแสนกับล่วงมาแล้วนี่นับตั้งแต่ที่เป็นสุเมธาดาบทเดี๋ยวช่วงภาคบ่ายจะไปดึงประวัติตรงนั้นช่วงนั้นมานี่นะดาบทสําเร็จอภิญญาหตรวจดูโลกด้ทิพยจักรสุเห็นสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในไบยพุมิ คือไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุระกายเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างกายแหลกหลาแหลกลานเนี่ยนะเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสฮะไทยก็หวั่นไหวด้วยกรุณาเอาเราเห็นสัตว์ที่กําลังได้รับความทุกเนี่ยกรุณาในใจเราเกิดไหมเกิดเลยเอาเห็นปลาเห็นเขาทุบ ป, ปลารู้ไหมตอนนี้เขาทุบ ป, ปลาอยู่รู้ไหมรู้ รู้ไหมตรงนี้โรงงานฆ่าเป็ดฆ่าไก่เขากำลังเชียร์ไก่ร้องกันระงมเนี่ยเอาโรงงานฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยฆ่ากันนี้กราดหมดนี้เนี่ยรู้มีไม่รู้นี่เนี่ยเห็นเนื้อมันกินไหมแล้วกรุณาหวั่นไหวในใจบ้างไหมเนี่ยคนกรุณาน้อยทั้งนั้นเลยโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมกรุนาไม่ค่อยออกหรอกเผยเผยก็ดีอยากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดีนะจบเลยแต่เนี่ยแต่พระโพธิสัตว์เนี่ย สวยทุกขเวทน า, าเห็นสัตว์เสวยก็เกิดกรุณาคนที่มีกุณาเนี่ยคือจิตเขาหวั่นไหวจิตของคนดีทั้งหลายก็หวั่นไหวทนดูได้ไม่ได้ดูด้ไม่ได้ด้วยกรุณาอย่างนั้นแหละพอได้พบเห็นพระบรมศาสดาพระทีปังกรพระบรมศาสดานะสละอารัฐผลที่ควรจะเกิดขึ้น ในสำนักของพระทีบังกรศาสดานั้นปรารถนาสัมมาสัมบริยาณกี่ดูโอ้หสลัดทิ้งเลยก็สมบัติอยู่ในมือแล้วอราตมัคเนี่ยก็โสดาปริมัคในใหญ่กว่าจักรพัดดีราชใช่ไหมแล้วอราตมัคล่ะจะคูณจะบวกจะจะเพิ่มยังไงเนี่ย สลัดทิ้งง่ายๆพ่อมากรุณาพวกเราที่นั่งกันอยู่ในห้องประชุมเนี่ยต้องคิดอย่างเงี้ยที่แท้จริงก็คือกรุณาสัตว์ทั้งโลกยอมสลัดทิ้งปรารถนาสัมมาสัมพธิยานอนมีประโยชน์เกื้ อ, อกูลแก่สัปสัตได้รับพยากรแล้วได้บริจาคใหญ่หประการใช่ไหบริจาคทรัพย์บุตรชายยาอวัยวะชีวิตในชาติกันดานหาประมาณไม่ได้ บำเพ็ญบารมีสามสิบทัศนเหล่านั้นบารมีสิบอุ ป, ป, 10, ปบ า, มาบรมีสิบปรมาธรรมบารมีสิบก็คือทานสีเนกขมาปัญญาเวรยิยะขันติสัจญาธิฐานเมตตาเวขาแล้วก็บำเพ็ญโพธิปกักญยธรรมสามจุดเจ็ดไหมบำเพญ็ญสติปัฏฐานสมนปะปัฏฐานอิทิบาทอินทรียระละโพชงแล้วก็อริยมรรคมีองค์แปอมรรคแปดนั่นเองพอบำเพ็ญไปจะถึงประตูพระนิพพานก็หยุดไว้เอาที่หยุดไว้ ยังไม่รู้ไม่ได้เพราะยังไม่เต็มไงถ้าอย่างเราเนี่ยไปถึงนิพพานจะ ก, ก้าประตูเข้าประตูนิพพานเราจะถอยกลับไหมไม่ถอยแล้วใช่ไม่ใช่หยุดไม่อยู่แต่กรุณาก็เตือนใจท่านถอยลงมาหน่อยถอยลงมาอ ย, อยู่อย่างเงี้ยเห็นโทษไหมเห็นเห็นโทษในสังสารวัตรไม่เห็นมาก กรุณาในใจก็เยอะเพราะผูกสัตว์ไว้แล้วผูกไว้ในใจแล้วพระมหาบรุษนั้นบำเพ็ญโบธิสมพานอย่างนี้ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันบริสุทธ์นะซึ่งในซึ่งให้พุทธคุณทั้งสิน้นบรรลุความเป็นผู้เจริญประสิ ร, ะสริฐที่สุดในโลกสามทรงยังทุกในวัตตะแม้ทั้งสิ้นของพระองค์ให้สิ้นไปแลแสดงธรรมแก่ชนเป็นจานวนมาก ผู้ใดกระทําบุญในบางก่อนเหล่าอื่นทรงให้ชนเหล่านั้นทรงอยู่ในทางแห่งพระนิพพานก็ทรงเปื้องชนเหล่านั้นออกจากชาติทุกชราทุกพยาทุกขมรณะทุก์าากแล้วก็ทําให้เป็นผู้ควรต่อการที่จะได้อนุบาตแห่งพระนิพพานทีนี้การประมวลพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะที่จะต้องกล่าวก็คือว่าทูเรนิธานอวิทูเรนิกาสันติเกณิธานเนี่ยนะก็นิทานไกลนิทานใกล้ นิทานแล้วก็จนนิทานที่เป็นไปเรื่องราวนี้ปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อพระองค์บำเพ็ญบารมีต่างๆเหล่านั้นเบ็ดเสร็จแล้วในที่สุดจริงๆก็คือได้จริยาสามยาตัทจริยาโลกัตถาพุทธถาจริยาได้พิญญาหกอาศาะรณญยานหกวิชา8จรณาธรรมสิบห้าพุทธญาสิบี่เวนิกรราม18ทศบารยาสิบเวสาลัชญาสี่ปฏิปทาสี่เป็นต้นตรงนี้นี่นะ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 หนึ่งสัทธินรีต้องดีมากเพราะศรัทธาเนี่ยจะนํามาซึ่งวิริยะสติสมาธิและปัญญาใช่ไหมเรารู้คุณของพระบรมศ า, ศาสดาต่อไปเราจะไปเก็บรายละเอียดในคุณของพระบรมศาสดานั้นน่ะเราท่านทั้งหลายจึงสมควรในกรณีที่จะฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าอันน้าพิศวงอันภัยบุญไม่มีมนทินทรงบำเพ็ญโพธิสมภานันเป็นเหตุเป็นผลที่พระสุคตเจ้า ให้เต็มกําลังศรัทธาและปัญญาของด้านทั้งหลายถ้าท่านศึกษาแล้วค้นคว้าแล้วสืบค้นและฟังให้ได้แล้วท่านจะเห็นคุณของพระศาสดาแต่ถ้าท่านศึกษาแบบไม่ได้ตั้งอกตั้งใจไม่ได้ตั้งใจฟังผ่านๆไปวันๆนี่นะท่านก็จะต้องเสียประโยชน์ก็จะต้องกลับไปฟังอีกถ้าท่านยังในใ น, นาคเนี่ยนะซึ่งเนี่ยในอดีตเราฟังมาแล้ว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 ทรงชนะมานทั้งห้าเขาเรียกชินนะหรือบางทีเรียกอนาตชินเนี่ยขันธมานรูปเวทนาสัญญาสังการพระ อ, องค์ชนะแล้วกิเลสมานคือราคะโทสะโมหามานะทิฏฐิวิจิกิจฉาพระ อ, องค์ชนะแล้วอภิสังขารมานเจตนาที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบาปแล้วก็เจตนาที่เป็นอนินชาพิสังการพระ อ, องค์ก็ชนะแล้ว กรรมเหล่านั้นไม่สามารถยั้งพระ อ, องค์ให้ปฏิสนธิในภพใดภูมิใดได้อีกแล้วมัจจุมานคือความตายพระ อ, องค์ไม่ต้องไปถูกตัดคอตัดศรีรษะโดนตัดมามากแล้วเพื่อพวกเราเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยเพื่อเผอเราก็เคยตัดคอท่านในยุ่งเลยนั้อนอาจจะพูดอย่างนี้หนักไปไหมถ้าท่านเกิดเป็นปลาพระโพิษัทเกิดเป็นปลาเราจะตัดคอท่านนี้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 ยอมเขาทุกอย่างใช่มะเหมือนอย่างนั้นอย่มะแต่ใจก็คือต้องการที่จะช่วยเขาแต่ใครเลยที่จะมองอัตถะตรงนี้ออกอทบหัวตุ่มติมเติมเลยท่านก็มองโดยการุณาเนี่ยโอ้ท่านผู้นี้เป็นพานแท้ว่าไงเป็นพานแล้วก็ทบท่านไปดิมันเป็นอย่างนี้แต่ท่านไม่โกรธเราหรอก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 ใช่ไหแต่อย่างเราเนี่ยจะไม่คิดถึงกลุ่มโมหะกลุ่มอกุศลที่เกิดในใจของสัตว์ที่เราจะต้องขนสัตว์หรือสัตว์ทําให้สัตว์ล่านี้หมดโมหะได้เราเคยคิดกันอย่างงี้ไหมได้มากคิดถึงบุคคลเยอะคนนั้นดีคนนี้ชั่วแค่นี้ยังไงสู้คนนั้นไม่ได้คนนั้นดีคนนี้ประเสริฐเลยกว่ากันไปเราไม่เคยเจาะทะลุทะลวงก็ไปถึงว่าโมหะนี่ร้ายกาจนะมีใครด่าเราเ ป, า ป, า ป, า ป, าปาล่าเปลาเล่าราบอโอ้โหโมหะร้ายจริง กล้าพูดไหมวเวลามีใครตํำหนิเราใช่ไหมหรือมีใครชื่นชมเราอะไรก็แล้วแต่โอ้โหโมหะร้ายมากเราไม่มีคุณธรรมน่าชื่นชมขนาดนั้นเลยก็ยังชื่นชมเขาดา่าเราเสียเสียหายโอ้โมหะร้ายจริงๆเรายังไม่ได้เลวถึงขนาดนั้นก็ยังด่าอย่างนี้นะเ อ, อ้ามันคิดออกขนาดนี้ไหม